จมบทแปลเรื่องที่127ยเรื่องโพธิราชกุมารข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในเพศกาลาวันทรงปรารพโพธิราชกุมารตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอัตานันเจเป็นต้นตอน โพ ธ, ธิราชกุมารสร้างปราสาทแล้วคิดค่าไายช่างดังได้สดับมาโพ ธ, ธิราชกุมารนั้นรับสั่งให้สร้างปราสาทชื่อโกกณทะมีรูปทรงไม่เหมือนปราสาทอื่นๆบนพื้นแผ่นดินปานดังลอยอยู่ในอากาศแล้วกระถามนายช่างว่าปราสาทที่มีรูปทรงอย่างนี้เธอเคยสร้างในที่อื่นบ้างแล้วหรือ หรือว่านี้เป็นศิลปะครั้งแรกของเธอทีเดียวเมื่อเขาทูลว่าข้าแต่สมุติเทพนี้เป็นศิลปะครั้งแรกทีเดียวเท้าเธอทรงดำริว่าถ้านายช่างผู้นี้จกสร้างปราสาทมีรูปทรงอย่างนี้แม้แก่คนอื่นไซส์ปราสาทนี้ก็จกไม่น่าอัศจรรย์การที่เราฆ่านายช่างนี้เสียหรือตัดมือและเท้าของเขา หรือควักในตาทั้งสองเสียควรเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาจาักสร้างประสาทแก่คนอื่นไม่ได้เท้าเธอตรัสบอกความนั้นแก่มานพน้อยบุตรของสัญชีวกผู้เป็นสหายเทียรักของตนตอนนายช่างทำนกครุฑขี่หนีภัยมานพน้อยนั้นคิดว่าพระราชกุมารพระองค์นี้ จากผานนายช่างให้ชิปหายอย่างไม่ต้องสงสัยคนผู้มีศิลปะเป็นผู้หาค่าไม่ได้เมื่อเรายังมีอยู่เขาจงอย่าชิปหายเราจะให้สัญญาแก่เขามานบน้อยนั้นเข้าไปหาเขาแล้วถามว่าการงานของท่านที่ประสาทสำเร็จแล้วหรือยังเมื่อเขาบอกว่าสำเร็จแล้วจึงกล่าวว่า ราชะกุมารมีพระประสงค์จะผลานท่านให้ชิบหายเพราะฉะนั้นท่านพึงรักษาตนนายช่างพูดว่านายท่านบอกความนั้นแก่ข้าพเจ้าทำกรรมอันงามแล้วข้าพเจ้าจักทราบกิจที่ควรทำในเรื่องนี้ดังนี้แล้วอันพราะชะกุมารตรัสถามว่าสหายการงานของท่านที่ประสาทของเราสาเร็จแล้วหรือ จึงทูลว่าข้าแต่สมุติเทพการงานที่ประสาทยังไม่สําเร็จก่อนยังเหลืออีกมากราชกุมารชื่อว่าการงานอะไรยังเหลือนายช่างข้าแต่สมุติเทพข้าพระองค์จักทูลให้ทรงทราบภายหลังขอพระองค์จงตรัสสั่งให้ใครๆขนไม้มาก่อนเถิดราชกุมาร จะให้ขนไม้ชนิดไหนเล่านายช่างไม้แห้งหาแก่นไม่ได้เพคะเจ้าค่าท้าวเธอได้รับสั่งให้ขนมาให้แล้วลำดับนั้นนายช่างทูลพระราชกุมานั้นว่าข้าแต่สมมติเทพจำเดิมแต่นี้พระองค์ไม่พึงเสด็จมายังสำนักของข้าพระองค์เพราะเมื่อข้าพระองค์ทำการงานที่ละเอียดอยู่ เมื่อมีการสนทนากับคนอื่นความฟุ้งซ่านก็จะมีอันหนึ่งเวลารับประทานอาหารภรรยาของข้าพระองค์เท่านั้นจักนำอาหารมาพระชกุมารทรงรับว่าดีแล้วฝ่ายในช่างนั่งถากไม้เหล่านั้นอยู่ในห้องห้องหนึ่งทำเป็นนกครุดควรที่บุตรภรรยาของตนนั่งภายในได้ ในเวลารับประทานอาหารสั่งภรรยาว่าหล่อนจงขายของทุกสิ่งอันมีอยู่ในเรือนแล้วรับเอาเงินและทองไว้ตอนนายช่างพาครอบครัวหนีฝ่ายพระราชกุมารรับสั่งให้ล้อมเรือนไว้ทรงจัดตั้งการรักษาเพื่อประโยชน์จะไม่ให้นายช่างออกไปได้แม้นายช่างในเวลาที่นกสาเร็จแล้ว สั่งภรรยาว่าวันนี้หล่อนพึงพาเด็กแม้ทั้งหมดมารับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วให้บุตรและภรรยานั่งในท้องนกออกทางหน้าต่างหลบหนีไปแล้วนายช่างนั้นเมื่อพวกอารักขาเหล่านั้นทูลพี่ไหรลร่าว่าขอเดชะสมุติเทพนายช่างหลบหนีไปได้ดังนี้อยู่นั่นแหละ ก็ไปลงที่ฮิมะวันตะประเทศสร้างนาครขึ้นนครหนึ่งได้เป็นพระราชาทรงพระนามว่ากันธะวะหนะในนคร น, นั้นตอนพระสัสดาไม่ทรงเหยียบผ้า ท, ที่ลาดไว้ฝ่ายพระราชกุมารทรงดำริว่าเราจะทำการฉลองพระศาสตจึงนิมนต์พระสัสดา ทรงทำการประพรมในประสาทด้วยของหอมที่ผสมกันสี่อย่างทรงลาดแผ่นผ้าน้อยตั้งแต่ธรณีแรกได้ยินว่าเท้าเธอไม่มีพระโอรสเพราะฉะนั้นจึงทรงดำริว่าถ้าเราจะได้บุตรหรือทิดาไซพระศาสดาจากทรงเหยียบแผ่นผ้าน้อยนี้แล้วจึงทรงลาด เท้าเธอเมื่อพระสัสดาเสด็จมาถวายบังคมพระสัสดาด้วยเบญจังข้ประดิษฐ์แล้วรับบาทกราบทูลว่าขอเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปเถิดพระเจ้าข้าพระสัสดาไม่เสด็จเข้าไปเท้าเธอทรงอ้อนวอนถึงสองถึงสามครั้งพระสัสดาก็ยังไม่เสด็จเข้าไปทรงแลดูพระอานนนเถระ พระเถระทราบความที่ไม่ทรงเหยียบผ้าทั้งหลายโดยสัญญาที่พระองค์ทรงแลดูนั่นเองจึงทูลให้พระราชกุมารเก็บผ้าทั้งหลายเสียด้วยคำว่าพระราชกุมารขอพระองค์จงทรงเก็บผ้าทั้งหลายเสียเถิดพระผู้มีพระภาคจักไม่ทรงเหยียบแผ่นผ้าเพราะประตถาคตทรงเล็งดูหมู่ชนผู้เกิดภายหลังตอน พระสัสดาตรัดเหตุที่ไม่ทรงเยียบผ้าเท้าเธอทรงเก็บผ้าทั้งหลายแล้วทูลอาราธนาพระสัสดาให้เสด็จเข้าไปในภายในทรงอังคาดให้อิ่มหํำด้วยยาคูและของเคี้ยวแล้วประทับนั่งอยู่ณส่วนข้างหนึ่งถวายบังคมแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมอมฉันเป็นอุปถา ข, ของพระองค์ ถึงพระองค์ว่าเป็นที่พึ่งสามครั้งแล้วคือในว่าข้าพระองค์อยู่ในท้องถึงพระองค์ว่าเป็นที่พึ่งครั้งที่หนึ่งแม้ครั้งที่สองในเวลาที่หม่อมฉันเป็นเด็กรุ่นหนุ่มแม้ครั้งที่สาในการที่หม่อมฉันถึงความเป็นผู้รู้ดีรู้ชั่วพระองค์ไม่ทรงเหยียบแผ่นผ้าน้อยของหม่อมฉันนั้นเพราะเหตุอะไร พระศัสดาราชกุมารก็พระองค์ทรงดรัมฤกษ์อย่างไรจึงทรงลาดแผ่นผ้าน้อยราชกุมารข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันคิดดังนี้ว่าถ้าเราจักได้บุตรหรือธิดาไซพระศัสดาจักทรงเหยียบแผ่นผ้าน้อยของเราแล้วจึงลาดแผ่นผ้าน้อยพระศัสดาราชกุมาร เพราะเหตุนั้นอาธรมภาพจึงไม่เหยียบราชกุมารข้าแต่พระองค์ผู้เริญก็หม่อมฉันจักไม่ได้บุตรหรือทิดาเลยเทียวหรือพระสัสดาอย่างนั้นราชกุมารราชกุมารเพราะเหตุไรพระเจ้าค่าพระศัสดาเพราะความที่พระองค์กับพระชายา เป็นผู้ถึงความประมาทแล้วในอัตภาพก่อนราชกุมารในการไหนพระเจ้าค่าตอนบุปรกรรมของโพธิราชกุมารลำดับนั้นพระสัสดาทรงนำอดีตนิทานมาแสดงแด่พระราชกุมาร น, นั้นดังได้สดับมาในอดีตการมนุษย์หลายร้อยคนแลน่นเรือลำใหญ่ไปสู่สมุทร เรืออับปางในกลางสมุทรสภรยาสามีคว้าได้แผ่นไม้กระดานแผ่นหนึ่งอาศัยว่ายเข้าไปสู่เกาะน้อยอันมีในระหว่างมนุษย์ที่เหลือทั้งหมดตายในสมุทมนั้นนั่นแลก็หมูนกเป็นอันมากอยู่ที่เกาะนั้นแลเขาทั้งสองไม่เห็นสิ่งอื่นที่ควรกินได้ถูกความหิวครอบงำแล้ว จึงเผาฟองนกทั้งหลายที่ฐานเพลิงแล้วเคี้ยกินเมื่อฟองนกเหล่านั้นไม่เพียงพอก็จับลูกนกทั้งหลายปิ้งกินเมื่อลูกนกเหล่านั้นไม่เพียงพอก็จับนกทั้งหลายปิ้งกินก็ในปฐมวัยก็ดี ม, ดชมดัชิมะวัยก็ดีปัชชิมะวัยก็ดีก็ได้เคี้ยกินอย่างนี้แหละแม้ในวัยหนึ่ง ก็ไม่ได้ถึงความไม่ประมาทอันหนึ่งบรรดาชนสองคนนั้นแม้คนหนึ่งไม่ได้ถึงความไม่ประมาทตอนพึงรักษาตนไว้ให้ดีในวัยทั้งสามพระสัสดาครั้นทรงสแสดงบุพกรรนี้ของโพธิราชกุมาร น, นั้นแล้วตรัสว่าราชกุมารก็ในการนั้น ถ้าพระองค์กับภรรยาจากถึงความไม่ประมาทแม้ในวัยหนึ่งใสบุตรหรือธิดาพึงเกิดขึ้นแม้ในวัยหนึ่งก็ถ้าบรรดาท่านทั้งสองแม้คนหนึ่งจากได้เป็นผู้ไม่ประมาทแล้วใสบุตรหรือธิดาจากอาศัยผู้ไม่ประมาทนั้นเกิดขึ้นราชกุมารก็บุคคลเมื่อสำคัญตนว่าเป็นที่รักอยู่พึงไม่ประมาท รักษาตนแม้ในวัยทั้งสามเมื่อไม่อาจรักษาได้อย่างนั้นพึงรักษาให้ได้แม้ในวัยหนึ่งดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาดีว่าอัตานัญเจปียังชนยารักเขยยะนางสุรคิตังติ น, นะมัญญะตรงยามังปฏิชักเขยยะปันฑิโตถ้าบุคคล ทราบตนว่าเป็นที่รักพึงรักษาตนนั้นให้เป็นอันรักษาด้วยดีบัณฑิตพึงประคับประคองตนตลอดยามทั้งสายามใดยามหนึ่งตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นในบทว่ายามังนี้ประศาสดาทรงแสดงกระทาไว้ทั้งสวัไว้ใดไว้หนึ่งให้ชื่อว่ายาม เพราะความที่พระองค์ทรงเป็นใหญ่ในธรรมและเพราะความที่พระองค์ทรงฉลาดในเทสนาวิธีเพราะเหตุนั้นในประกถานี้บัณฑิตพึงทราบเนื้อความอย่างนี้ว่าถ้าบุคคลทราบตนว่าเป็นที่รักพึงรักษาตนนั้นให้เป็นอันรักษาดีแล้วคือพึงรักษาตนนั้นโดยประการที่ตนเป็นอันรักษาดีแล้ว บรรดาชนผู้รักษาตนเหล่านั้นถ้าผู้เป็นกระหัดคิดว่าจากรักษาตนดังนี้แล้วเข้าไปสู่ห้องที่เขาปิดไว้ให้เรียบร้อยเป็นผู้มีอารักขาสมบูรณ์อยู่บนพื้นปราสาทชั้นบนก็ดีผู้เป็นบรรพชิตอยู่ในถ้ำอันปิดเรียบร้อยมีประตูและหน้าต่างอันปิดแล้วก็ดียังไม่ชื่อว่ารักษาตนเลย แต่ผู้เป็นครหืหขันทำบุญทั้งหลายมีทานศีลเป็นต้นตามกำลังอยู่หรือผู้เป็นบนรรพชิตถึงความขวนขวายในวัดปฏิวัติปริยัตและการทำไว้ในใจอยู่ชื่อว่าย่อมรักษาตนบุรุษผู้เป็นบัณฑิตเมื่อไม่อาจทำอย่างนั้นได้ในสามวัยต้องประครับประคองตนไว้ แม้ในวัยใดวัยหนึ่งก็ได้เหมือนกันก็ถ้าผู้เป็นครหัตไม่อาจทำกุศลได้ในปฐมวัยเพราะความเป็นผู้หมกมุ่นอยู่ในการละเล่นไสในมัชิมวัยพึงเป็นผู้ไม่ประมาทบำเพ็ญกุศลแ้่ในมัชิมวัยยังต้องเลี้ยงบุตรและภรยาไม่อาจบำเพ็ญกุศลได้ไสในปัจิมวัย พึงบำเพ็ญกุศลให้ได้ด้วยอาการแม้อย่างนี้ตนต้องเป็นอันเขาประคับประคองแล้วทีเดียวแต่เมื่อเขาไม่ทำอย่างนั้นตนย่อมชื่อว่าไม่เป็นที่รักผู้นั้นเท่ากับทําตนนั้นให้มีอบายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าทีเดียวก็ท่าบรรปะชิดในปฐมวัยทำการสาธยาอยู่ ทรงจำบอก ร, รมวัดและปฏิวัติอยู่ชื่อว่าถึงความประมาทในมัชชิมวไว้พึงเป็นผู้ไม่ประมาทบาเพ็ญสมณธรรมอนหนึ่งแต่ยังสอบถามอธกถาและวินิจฉัยและเหตุแห่งปริยัตอันตนเรียนแล้วในปฐมวัยอยู่ชื่อว่าถึงความประมาทในมัชชิมวัย ในปัจจิมวัยพึงเป็นผู้ไม่ประมาทบำเพ็ญสมณธรรมโดยอาการแม้อย่างนี้ตนย่อมเป็นอันปัญประชิดนั้นประคับประคองแล้วทีเดียวแต่เมื่อไม่ทำอย่างนั้นตนย่อมชื่อว่าไม่เป็นท่รักปัญประชิดนั้นเท่ากับทำตนนั้นให้เดือดร้อนด้วยการตามเดือดร้อนในภายหลังแท้ ในการจบเทศนาโพธิราชกุมารตั้งอยู่ในโสดาปฏิพลแล้วพระธรรมเทศนาได้สำเร็จประโยชน์แม้แก่บริษัทที่ประชุมกันแล้วดังนี้แลเรื่องโพธิราชกุมาร